Bye. มาลบทำสู่กันฟังเพื่อให้ก้าวหน้าไม่ท่อถอยเดินไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆมีศรัทธาไปเรื่อยๆมีความเพียรไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆมีความมั่นคงไปเรื่อยมีปัญญาไปเรื่อยเหมือน ล, อดลด่อรถปิ้งไปสู่ไปถึงจุดหมายปลายทาง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 หมกมุ่นคุณคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นขณะที่เราสร้างสติมีมากสติมัจะาเจงก็สามารถก็ต้องเมื่อมันเห็นอุปสรรคต่างๆมาไม่มีบารมีไม่แจ่เราจึงต้องฝึกฝนตนเดิงผู้ที่ฝึกตนเดองถ้าฝึกกับความยากก็มีความเชื่อมแสียงเหมนกับพระเอก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 พูดไปทางต่ําๆเรียกว่าไปทําสู่ความเป็นคนเรื่อยไปปนเปนกันเรื่อยไปเราคิดไปทางสูงๆก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี่เป็นพระได้ฉั้นเราไปขอบวชนุษย์โซ่สิอุปชาถามเป็นมนุษย์หรื อ, อยังอามาพันเตเป็นมนุษย์แล้วใจสูงแล้วสตัดสินใจแล้วถ้านอธิพันเตยังไม่เป็นมนุษย์ก็บวชไม่ได้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 ในฐานเป็นความหลงมากแล้วแต่รับกับคงาลูกอย่างมันหลงไปชีวิตเรามาถึงวันนี้มีความลูกหรือว่ามีความหลงมากกว่ากันดูซิอะไทำงายประมาทอยู่หรือแล้วก็ตศึกษาตัวเองว่าให้ให้ใหตรวจตาตรวจสอบให้โปร่งใสอย่าปิดบังอาพรางตัวเองอองุ่วุ่นขุ่นชิด มีสติมี ส, สัมผัสยะคอยขี้เตืองตักเตือนว่ากล่าวตัวเองถ้าสอนตัวแดงเตือนตัวแดงเรียกว่าบัณฑิตถ้าไม่รู้จักเตือนตัวแดงเรียกว่าผลผ่านจากครบผลผานให้โคบบัณฑิตผลผ่านอยู่กับเรานี้คิดไปทางต่ำมาคิดได้คิดไปทางดีมันทวนกระแสะแล้วก็จะเป็นชีวิตที่ทวนกระแสเช่นความขี้เกียด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 พอเห็นที่ิศทางก็เรามาบอกมาสอนจนไม่มีเวลาทำมหาจีนอาใช้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ก็มาอยู่อย่างนี้พวกเราก็มามาได้เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้การนักปึกอย่างนี้ช่วช่างสวัสดิ์หูช่วงงูได้ปลีนได้ยินแล้วไปทําดูสอนให้ทําสอนให้เอาไปทําพูดให้ออกไปทํา